Thank you. ตนเย็นได้ไปอ่านจดหมายน้อยนะที่พ่อแม่เขียนถึงลูกที่มาบวชเนนหรือบวชศิลจารีนีจดหมายน้อยนี่ก็ห้อยเรียงนะอยู่ที่สารนาไม่รู้พวกเราได้ไปอ่านบ้างหรือเปล่านะจดหมายน้อยนี่ก็เต็มไปด้วยความรักความห่วงใย นะที่พ่อแม่มีต่อลูกน้อยบางทีก็เป็นปู่ย่าหรือตายายเขียนถึงหลานนะแล้วมีคำหนึ่งที่หลายคนใช้นะเวลาให้กำลังใจกับลูกๆไม่ว่าชายหรือหญิงนะก็คือคำว่าสู้ๆนะนะคำว่าสู้ๆนะ มันก็เป็นสำนวนหรือว่าบาลีที่ เ, เพิ่งมาคิดกันช่วงหลังๆนะทำไมพ่อแม่เนี่ยถึงใช้คำนี้นะกับลูกๆที่มาบวชเนหรือบวชศิรจารินีก็เพื่อจะได้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความยากลำบากหรือว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยการที่เด็กนี่จะมาบวชเป็นสามเณรก็ดีเป็นศิลจริจนีนานสามอาทิตย์ น, ยนะต้องห่างไกลพ่อแม่แล้วก็ห่างไกลความสดุกสบายมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กนะพ่อแม่ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะแนะนำลูกนะ ได้ดีกับคำว่าสู้ๆเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ยอมสู้กับความยากลำบากในการบวชมันก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้จริงๆไม่ได้เฉพาะการบวชเท่านั้นนะการเรียนก็ดีการทำงานก็ดีหรือแม้กระทั่งการ ใช้ชีวิตนะให้มันคุ้มค่ากับความเป็นมนุษย์หรือว่าคุ้มค่ากับโอกาสที่เราได้รับเนี่ย mm hmm. ก็ต้องอาศัยสิ่งนี้แหละ mm hmm. ก็คือกล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากไม่ยอมท้อถอยนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนที่คนเราเนี่ยจะ จะสามารถผ่านพ้นปัญญาอุปสรรคในชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะการบวชเนี่ยสิ่งที่ยากเนี่ยมันไม่ใช่อุปสรรคที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่ความหนาวไม่ใช่ความยากลมบากแต่ที่ยากก็คืออุปสรรคภายในใจ เช่นความท้อถอยการที่จิตใจเนี่ยนะมันมีแต่จะโอดครวนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยหรือไม่เช่นนั้นก็ไปหวนึกถึงความสุขสบายที่มีก็ไม่ไม่เอาแล้วเนี่ยความยุ่งยากความลำบากเพราะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงคำว่าสู้สู้เนี่ยนะ สิ่งสำคัญก็คือการสู้กับความขี้เกียจความเกียดคร้านความอ่อนแอหรือว่ากิเลสตัณหาภายในใจตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ยากที่สุดด้วยชนะอุปสรรคความยากลาบากภายนอกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าชนะใจตัวเองและชนะใจ ในที่นี้คือการเอาชนะต่อความอ่อนแอ น, นะหรือว่ากิเลสนะที่มันจะคอยทำให้รู้สึกท้อถอยอยู่เรื่อยไปมันจะคอยบ่นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหากับเด็กเท่านั้นนะกับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันมาบวชพระก็ดีมาบ ว, าาบวชชีหรือว่ามาปฏิปัติธรรม มันก็ต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้นะคือการเอาชนะกิเลสภายในใจหรือว่าเอาชนะอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในใจอารมณ์ที่ว่านี้ก็เราเรียกอีกอย่างนึ่งวันนิวรน น, ะนิวรณหมันก็มีทั้งแต่นะความหวนนึก หรือว่าติดใจในความสะดวกสบายทำใหนะ้ไม่มีสมาธิกับการปฏิบัติแล้วก็รวมทำให้เกิดความท้อถอยนะใจไม่สู้อันนี้เรียกว่าการมฉันทะนะบางทีก็เกิดความหงุดหงิดนะไม่พอใจอะไรต่ออะไรนะ ไปหมดเลยไม่ว่าเสียงดังไม่ว่าอากาศร้อนหรือว่ายุงมแมลงที่รบกวนนะีอันนี้เรียกว่าพยาบาทก็คือเกิดโทสะบางทีมันก็เกิดความฟุงนะฟ้งซ่านฟุ้งซ่านรบกวนจิตใจห่วงกังวลโ น, น่นห่วงกังวล น, นั่นนะเรียกว่า เกิดความเดือดเนรร้อนใจขึ้นมาอุตจกกกัจกขุกขจักเนี่ยบางทีเมื่อเกิดความสงสัยว่ามาทำอะไรเนี่ยนะมันจะได้ประโยชน์เลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้เรียกว่าเกิดความรังเลยสงสัยวิจิกิจฉารวมทั้งความงองเอาหาอนอนนะอันนี้ก็คือตัวกิเลสหรืออารมณ์ที่มารบกวนสาคัญสาคัญ ที่ยิมก็มีมากกว่า น, นี้นะแต่เนี่คือตัวหลักๆนะไม่ว่าเราจะทำอะไระไม่เป็นการภาวนาหรือการทำความดีก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้มารบกว น, นและนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องสู้นะเราต้องผ่านไปให้ได้สู้อะไรก็ไม่ยากเท่ากับสู้นะ อุปสรรคภายในใจอันนี้คือสิ่งที่เด็กๆต้องเรียนรู้นะแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันผู้ใหญ่จำนวนมากเนี่ยนะเวลาสอนลูกก็สอนลูกแบบนี้แหละสู้ๆเจอการบ้านนะที่มันเยอะหรือยากก็อย่าท้อถอยอย่ามัวแต่เล่นเกมอย่ามัวแต่ ดูโทรทัศน์หรือว่าคุยเล่นกับเพื่อนลูกบางทีก็งองแงนะไม่อยากจะทําการบ้านไม่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะนั่งหน้าจอโทรทัศน์อยากจะเล่นเกมไปเรื่อยๆแม่ก็พ่อก็ต้องเคี่ยวเข็นลูกนะว่าเออต้องสู้นะนะมันเหนื่อยมันยากก็ต้องสู้แต่ว่าพอ พ่อแม่นะมาทำสิ่งที่ยากบ้างไม่ต้องอะไรมากนะเอามาปฏิบัตินะพอมาปฏิบัติทำก็เห็นนะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่หลายคนเพียงแค่นั่งปฏิบัติสิบนาทีนี่ก็ไม่ไหวแล้วยอมแพ้ยอมแพ้แต่ความง่วง ยอมแพ้ต่อความเบื่อก็เห็นมาหลายวงเห็นมาหลายชุดแล้วพอให้มานั่งสร้างจังหวะสักยี่สิบนาทีบางคนทำให้ยสิบนาทีก็เลิกทำแล้วหลับตาหรือไม่ก็เปิดตาเหม่อลอยถามว่าทำไมทาอย่างนั้นก็บอกเบื่อหรือง่วงแบบนี้ก็เจอเยอะนะคือสอนลูกให้สู้ๆแต่ว่า ไม่รู้จักสอนตัวเองว่าให้สู้เวลาเขี้ยวเข็นให้ลูกว่าเนี่ยอย่าไปอย่ามาไปมัวแต่เล่นเกมนะให้อ่านหนังสือนะพอลูกอ่านหนังสือได้ประเดี๋ยวเดียวก็จะไปเล่นเกมจะไปเปิดโทรทัศน์นะพ่อหรือแม่ก็ก็เขี้ยวเข็นลูกให้กลับไปอ่านหนังสือนะอย่าไปเล่นเกมนะลูกก็ขาด มันติดเกมมากแนละ้วก็สุดทรมานนะนะพ่อแม่ก็บอกให้ลูกสู้นะอย่าพ่ายแพ้ต่อไอ้ความอยากรวมทั้งเวลาอ่านหนังสือมันเบือ่อก็ก็ไปอย่าไปยอมแพ้ก็ทำนะอ่านไปเรื่อยๆการบ้านคิดไม่ออกก็พยายามลูกท้อลูกไม่อยากนะแม่ก็เขี่ยวเข็นพ่อก็พยายามกดดัน แต่เวลาตัวเองเนี่ยเวลาพ่อหรือแม่นี่นะพอมาภาวานานะก็พฤติกรรมก็ไม่ต่างจากลูกเลยนะบางทีหนักกว่าสิ่งนะลูกอ่านหนังสือยี่สิบนาทีก็เบื่อแล้วแต่แม่หรือพ่อนี่ภาวานาแค่สิบนาทีก็เลิกแล้วนะนะพยายามนะพยายามกระตุ้นพยายามเร่ายังไงก็ก็ไม่เอา เอาแต่นั่งหลับมั่งล่ะหรือไม่ก็มาเหม่อลอยปล่อยให้เพื่อนเขายกมือไปแต่ตัวเองก็นิ่งง่วงหลับหรือว่าเบื่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นเป็นประจำนะถ้าหากว่าผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้นะาการที่จะไปบอกให้ลูกนะว่าให้สู้ๆเนี่ยมันไม่มีความหมายเลย พอตัวเองก็ไม่สู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่นี่หรือผู้ใหญ่จะเห็นตรงนี้หรือเปล่านะื้อคือได้แต่สอนลูกหรือว่าได้แต่เคี่ยวเข้นลูกนะแต่ว่าไม่สามารถเคี่ยวเค้นตัวเองได้แล้วลูมก็รู้นะว่าพ่อแม่ก็พูดไปแต่ทำไม่ได้นะสอนลูกแต่ตัวเองนะ ไม่ทำอย่างที่สอนมันเด็กเห็นันก็ไม่ไม่ปฏิบัติตามแล้วพ่อแม่ก็มากุ้มใจว่าทำไมลูกไม่เอาใจใส่ในการเรียนทำไมไม่มีความเพียรพยายามทำไมใจไม่สู้ก็พ่อแม่เองใจก็ไม่สู้เหมือนกันเวลามาภาวนาก็ละละแลงแหล ะ, ล ะ, ละนะนะขนาดพูดอย่างนี้นะให้กับนักปฏิบัติบางคนเนี่ยว่าเนี่ย เราสอนลูกให้เราสอนลูกให้สู้แต่เราไม่สู้เนี่ยนะแล้วเราเคยรู้สึกเคยรับรู้ถึงความรู้สึกเขาไหมว่าเขาเบื่อเนี่ยมันทรมานยังไงพ่อแม่ก็พยายามบอกลูกว่าไม่ต้องเบื่อนะพยายามเขี่ยวเข็นให้ลูกเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองเบื่อหน่ายคือการเรียนการทำการบ้านแต่ว่าตัวเองเนี่ยเวลาเจอความเบื่อหน่ายการปฏิบัติก็ก็ทำเหมือนลูก หรือบางทีแย่กว่าลูกอีกนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะมาเตือนใจเรานะในเรื่องเวลาเพื่อว่าสู้ๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราและการที่คนเราจะสู้ได้เนี่ยมันต้องมีอย่างหนึ่งนะคือขันติขันตือความอดทนจริงๆในในพุทธศาสนา ม, ามันมีคำสองคำนะที่ ค, คล้ายๆกัน คือขันติกับตะบะขันติก็อดทนส่วนตะบะความขมใจก็เป็นความอดทนเหมือนกันนะแต่อดทนคนละอย่างขันตินี่เป็นความอดทนต่ออุปสรรคความยากลำบากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกภายในก็เช่นความโกรธมันมีความโกรธเกิดขึ้นก็อดทนนะขันตินะไม่ไม่พูดออกไปนะไม่ ว่าร้ายหรือไม่ทำร้ายนะหรือว่าบางทีมันมีความาท้อแท้ท้อถอยก็อดทนนะยังเดินหน้าต่อไปรวมทั้ง อ, อดทนต่อความยากลำบากที่ปรากฏภายนอกด้วยเช่นร้อนหนาวเหนื่อยไกลนะก็ไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้ อันนี้เป็นลักษณะของขันตินะความอดทนอดทนต่อปัญหาอดทนต่ออุปสรรคอดทนต่อสิ่งที่มารบ ก, กวนจิตใจส่วนตะบะเนี่ยความขมใจเนี่ยเขาเจาะจงนะหมายถึงเวลามันมีสิ่งที่สบายนะสิ่งที่สบายมาร่อยเร้าเย้ายวนให้ให้ใ ห, ลหลงไหลเพลิดเพลิน เนะช่นมีความสะดวกสบายนะก็เลยเกียรติคร้านนะหรือว่าหลงติดในสิ่งของในความสนุกสนานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันมากเพราะว่าสิ่งร่เรายโสยวนให้เพลิดเพลินะในความเท็นอร่อยในความสนุกสนานเนี่ยมันมีเยอะมากนะสมัยนี้ ความบันเทิงเรองรมเนี่ยมันลอยอยู่นะในอากาศเลยในรูปของสัญญาณนะถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเราเปิดปุ๊บนี่มันก็จะมีแล้เสียงเพลงออกมาอยากจะดูหนังเรื่องไหนเดี๋ยวนี้ก็มีให้ดูได้เป็นไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันเรื่องนะเป็นล้านล้า น, ลานเรื่องไอ้สิ่งเหล่านี้นะมันทำให้ถ้าคนเราไม่มีความไม่มีตบะนะ มันก็จะหลงไหลเพลิดเพลินเสร็จแล้วก็เลยกลายปเป็นธาตุของวัตถุแล้วก็เกียดคิค้าไม่เป็นอันทางานคนเรานี่จะเจริญก้าวหน้าได้ต้องมีตรงนี้ด้วยก็ آ, คือว่าแม้มันจะมารอเราย่อหยวน ing, ยั ง, ยงไงก็อ่ะก็ไม่ไม่ไม่หลงเพลิดเพลินไม่ละทิ้งงานการที่ยังทำอยู่ไม่ละทิ้งนะความรับผิดชอบที่มีอยู่ อันนี้ก็เป็นปัญหานะที่เด็กปัจจุบันเนี่ยต้องพ่ายแพ้นะเกมออนไลน์นะหนังนะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีแต่ล่อๆล้าย้าอยนให้เด็กเนี่ยนะไม่เป็นอันเรียนหนังสือมาผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะแม้แต่นักเรียนแพทย์นเนี่ยซึ่งกว่าจะได้มาเรียนแพทย์ น, นี่ก็ต้องถือว่าเป็นคนขยันนะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะก็คุณภาพก็อ่อนก็ตกลงไปเยอะเวลาอาจารย์บรรยายเนี่ยนักเรียนหลายคนนักศึกษาแพทย์หลายคนก็ก้มหน้านะไม่ได้ดูกระดานะไม่ได้ฟังครูสอนนะหรือครูบรรยายก้มหน้าเล่นเกมนะกดนะกดข้อความทางไลายบ้าง Facebook บ้างนี่ไม่เท่าไหร่นะ เวลาตามอาจารย์เนี่ยไปไปดูคนไข้เนี่ยเขาเรียวกว่าไปราวไปราวราว์คือแปออกไปดูคนไข้นะตามเตียงเนี่ยบางทีก็ไปกันประมาณสิบยี่สิบคนนะไปดูคนไข้นะไม่ว่าจะเป็นศิริราชรา ม, มาหรือว่าศรีนครินเนี่ยพวกนี้เป็นโรงพยาบาลนะประจําโรงเรียนแพทย์ก็จะมีเนี่ย อาจารย์พานักศึกษาแพทย์เนี่ยมาดูคนไข้ที่ที่มีโรคแปลกๆ ก, ก็ปรากฏว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยนะที่อยู่วงนอกนะไม่สนใจอาจารย์ไม่สนใจคนไข้นะสนใจโทรศัพท์นะก็พิมพ์ข้ อ, ขอความบ้างหรือไม่ก็อ่สไลด์ไปเรื่อยๆนะดูข้อดูอ เฟซบุ๊กมีแต่นักเรียนที่อยู่ใกล้ๆอาจารย์นนักศึกษาที่อยู่ใกล้อาจารย์นักศึกษาที่อยู่ใกล้เตียงคนไข้เนี่ยที่อาจจะสนใจหน่อยว่าอาจารย์กําลังบรรยายอะไรแต่นักศึกษาที่อยู่รอบๆนอกนี่ไม่สนใจอาจารย์ก็ไม่เห็นนะแต่ว่าญาติญาติผู้ป่วยเนี่ยก็เห็นเลยนะเขาเห็นแล้วเขาโอ้ เดยนี้นักศึกษาแพทย์เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะไม่สนใจเลยเนี่ยไม่สนใจอาจารย์บรรยายนี่ขณะคนที่เป็นหัวกะทิของประเทศนะคือถ้าไม่ใช่หัวกะทิเนี่ยเรียนหมอไม่ได้หรอกอยังเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่มีตาบะนะไม่มีตาบะคือไม่มีความรู้จักข่มใจเวลามันมีสิ่งเย้ายวนแล่วดี๋นี้สิ่งย้ายวนนี่มันติดตัวเราไปตลอดเวลานะ สมัยก่อนโทรทัศน์นี่มันอยู่ที่บ้านนะมาเรียนหนังสือเนี่ยจะอยากจะดูโทรทัศน์อยากจะดูละครซีรี่์ยังไงต้องรอกลับบ้านแต่เดี๋ยวนี้นี่มันติดตัวเราไปศัพส์มือถือก็คือโทรทัศน์เคลื่อนที่นั่นเองเดี๋ยวนี้มันตามมาถึงแม้กระทั่งในวัดนะขนาดมาบวชมาจำพรรษานี่นะก็ยังวางไม่ได้เลิกไม่ได้หลายคนก็เลยนะภาวนามไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่า จิตใจมันพ่ายแพ้ต่อสิ่งเยา้าหยวนส อ, สองอย่างเนี่ยขันติกัตตบานี่เป็นสิ่งสําคัญนะที่จะทําให้คนเนี่ยประสบความเจริญและสองข้อนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่เป็นกษัตริย์ด้วยเนี่ยในทศพิศราชธรรมเนี่ยสิประการเนี่ยจะมีสองข้อเนี่ยมีขันติอดทนต่อความยากลาบากอดทนต่อสิ่งมาสิ่งที่ยั่วยุ ให้โกรธให้ขัดเคืองใจนะอาจจะรวมถึงนะคำวิพากษ์วิจารนะ์คำพูดที่ไม่รื่นหูนะรวมทั้งอุปสรรคความยากลำบากความสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็ไม่ท้อถอยอันนี้ดีแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีตบ้านะพอเจอความสบายนะ เจอสิ่งที่มันมารอเร า, ร า, รายอยวนก็หลงนะยอมแพนะ้เรียนก็ไม่เป็นนักเรียนงานการก็ไม่ทำพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยถ้าไม่มีตรงนี้นะก็จะก็จะลงหลเพื่อเพลินกับนะเล่านะผู้หญิงนะสวยน้ำจันทร์แล้วก็เอาแต่ดูการละเล่นนะหมกมุ่นอยู่ในนะกาม ก็ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวได้สุดท้ายก็ถูกยึดอำนาจถูกประชาชนปฏิวัติหรือว่าถูกฆ่าศึกศัตรูเนี่ยเข้ามายึดเมืองได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยๆต่ตะบ้านี่มันไม่ใช่เหมาะ มราไมไ่ใช้หรือจำเป็นก็เฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นนะคนทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าต้องการครองตนครองตนให้เป็นผู้เป็นคนหรือว่าครองตนให้ให้เป็นปกติสุขเนี่ยก็ต้องมีนะต้องมีตะบะแล้วถ้าเรามีขันติมีตะบะแล้วเนี่ยนะไอการที่เราจะมีความเพียรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากมันก็จะตามมานะเมื่อไม่ ท้อถอยต่ออุปรสรรคแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งล่อเราเย้ายวนการที่จะมีความเพียรเพียรทําความดีเพียรทําหน้าที่นะหรือว่าเพียรในการทำมาหมากินรวมทั้งเพียรในการปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยง่ายจริงๆทั้งหมดเนี่ยคําว่าขันติ ก, ก็ดีตะบะก็ดีหรือว่าความเพียรหรือวิริยะเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ ความหมายคําว่าสู้สู้นะเดี๋ยวนี้เราพูดคําว่าสู้สู้เนี่ยแต่เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าความหมายมันคืออะไรมันมีในยะอะไรบ้างนะถ้าไม่มีสา ร, ระการนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าสู้ส้ไม่ได้นะการที่คนที่บอกให้ลูกสู้ๆเนี่ยหรือว่าคนที่บอกลูกศิษย์ให้สู้สู้นะถ้าหกว่าสามารถที่จะอธิบายให้เด็กเขาเข้าใจว่าเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันต้องมีอะไรบ้างนะ จึงจะสู้ๆได้เนี่ยมันก็ทำให้คำพูดเนี่ยมันมีความหมายและยิ่งถ้าหากว่าผู้ใหญ่เนี่ยทำตัวเป็นแบบอย่างด้วยอดทนต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาอดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นข้างในนะโดยเพราะอารมณ์มันเป็นลบค่นะเดยการก็รู้จักข่มใจเวลามันเพลิดเพลินในความสนุกสนานในความมันเทิงเริงรมในความสะดกสบายก็ ก็ไม่ปล่อยใจหลงลอยไปมากเกินไปข่มมันบ้างซึ่งจะทำได้นะมันต้องมีอีกตัวหนึ่งนะคือสตินะสติเนี่ยมันจะทำให้รู้ทันนะเวลาสิ่งรอเราโยวยวนเกิดขึ้นมีสติรู้ทันนะเห็นโทษของมันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสุขชั่วคราวนะแต่ว่าอาจจะก่อให้ทุกข์ยาวนาน ไปลหลงไหลเล่นเกมออนไลน์หรือว่าไปมัวแต่ติดตามนะเกาหลีซีรีส์ดูหนังเกาหลีอยู่เร่อหนังซีรีส์ไม่ไม่รู้จักจบไม่รู้จกักไม่รู้จักบรญญั บ, บัรรยังบ้างนะมันก็ทําให้แย่เหมือนกันต้องมีสติเหมือนกันนะสติมันจะช่วยหนุนทําให้ตาบะเนี่ยมันมันมีกําลังนะว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็คล้อยตามไปกับ สิ่งเราเราเย้ายวงนง่ายๆคล้อยตามไปกับความเม็ดอร่อยความเพลิดเพลินแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยนะเออมันมันได้คิดขึ้นมาว่าไอ้เขืนปล่อยใจไปกับสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นอันธรร ม, มาหากินไม่เป็นอันทํางานไม่เป็นอันปฏิบัติแต่ว่าใหมา่ๆเนี่ยนะมันก็ยังติดนะเลิกไม่ได้ต้องะต้องข่มใจบ้างต้องตัดใจนะไม่ดูมันนะหรือว่า ต้องกำหนดไว้ว่าเนี่ยวันหนึ่งดูแค่ดูได้แค่ชั่วโมงเดียวนะเล่นเกมออนไลน์ได้แค่ครึ่งชั่วโมงหรือว่าจะเล่นโซเชียลมีเดียก็วันหนึ่งก็ไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีก็ต้องเข้มแข็งขนาดนี้นะเพื่อจะเพิ่มกำลังให้กับตะบะนะเราสามารถจะอดทนต่อสิ่งรอดเราเย้ายวนได้และสิ่งนี้มันก็ยังหนุนทำให้เกิดความเพียรเราตั้งใจทาอะไรก็ยังทาได้ต่อเนื่องหรือว่าทาได้อย่าง มีความแน่วแน่มั่นคงนะไม่เผลอไผหลงไหลไปข้างทางนะหรือว่ า, าไม่สะดุดอยู่กับอุปสรรคทั้นะงหมดที่จำเป็นนะสรารการปฏิบัติธรรมนะอย่างพวกเรามาวัดเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติธรรมนะให้ได้เจริญเก้าหน้าฝึกฝนตนเอาชนะกิเลสนะแล้วก็เอาชนะความหลงที่มันโจวากาศครอบครองใจอยู่เสมอเนี่ยก็ต้องมีเนี่ยมีขันติ แล้วก็ตบะเพื่อส่งเสริมให้ความเพียรในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันตั้งมั่นต่อเนื่องและถ้าเราปฏิบัติดีในะความเพียรนะี่ก็จะทำให้เกิดสติสติที่จะช่วยทำให้การการต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นไปอย่างง่ายเราจะรู้ทันจัดการกับอารมณ์ได้อารมณ์จริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธก็ดีหรือว่าความอยากก็ดีเนี่ย ถ้าเราใช้วิธีการขม่มกดข่มตะพื้ตะพือนนะหรือตลอดไปนี่มันก็มันก็ไม่ไหวนะมันได้ผลชั่วคราวเหมือนกันมันต้องใช้สตินะรู้ทันมันเกิดขึ้นก็รู้ทันแค่รู้เฉยเฉยรู้ซื่อซืนั่นแหละแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้อารมณ์พุทีิมัลลาถอยไปได้นะอย่ามัวแต่ใช้วิธีการกดข่มอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นขม่มอารมณ์ที่เป็นอ่า ที่เป็นความหลงหลายเพลิดเพลินในความสะดวกสบายอร็ตอร่อยที่เรียกว่าการมาสุขหรือว่าไปกดข่มอารมณ์ที่เป็นความโกรธนะหรือว่าความหงุดหงิดขัดเคืองใจเพื่อที่จะได้ไม่ไปพูดร้ายทำร้ายอย่าใช้แต่การกดข่มอย่างเดียวต้องใช้สตินะเพื่อรู้ทันมันแล้วก็จะช่วยทำให้วางได้เร็วเอาล่ะคำดีวพูดกัท่านี้กลับพระ